ตามรอยชีวิตท่านเว่ยหลางพระคุยเหมืองหรือท่านเว่ยหลางเป็นพระพิสูชาวจีนเกิดเมื่อพุทธศักราชพันหนึ่งร้ปสบเอ็ดที่มีชีวิตสมัยราชวงศ์ถังอันเป็นยุคทองของพุทธศาสนาในจีนเมื่อท่านเว่ยหลางยังเป็นเด็กบิดาเป็นชาวเมืองพันหยางถูกถอดจากตาแหน่งราชการ ถูกในประเทศไปอยู่ชายแดนอย่างราษฎรสามันที่ซุนเจาในมณฑลกวางตุง้งบีดาได้ถึงแก่กรรมเสียในขณะที่ท่านยังเล็กเลือเกินและละทิ้งมันดาไว้ในสถานที่ยากจนทนทุกข์สองคนแม่ลูกจึงย้ายไปอยู่กวางเจาหรือแคนตนันและอยู่ที่นั่นด้วยความทุกข์ยากเรื่อยมา เมื่ออายุได้ยี่สิบสี่ปีวันหนึ่งกลับจากขายฟืนไม้คานและขวานอยู่บนบา่าได้ยินเสียงสาธยายวัชระเฉทิกาสูตรสูตรเก่าว่าด้วยการตัดราวกับเพชรถึงประโยชน์ว่าคนเราควรใช้จิตไปในทางเป็นอิสระทุกเมื่อท่านก็ต ร, รัสรู้ท่านไม่รู้หนังสือ แต่รู้ทำสูงสุดภายหลังเป็นสังฆปริรายกองที่หกเป็นองค์สุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุดชาวจีนรู้จักในนามหลักโจคำสอนของท่านเป็นสูตรเดียวที่รวมในพระไตรปิฎกจีนเป็นสูตรเดียวที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสแต่เป็นชาวจีนคือท่านเว่ยหลาง ท่านมรณาภาพเมื่อพุทธศักราช1256เวลาจะผ่านพ้นไปแล้วเกินพัน0รปีสถานที่สำคัญเกี่ยวกับประวัติของท่านตั้งแต่กำเนิดจนมรณาภาพยังมีการอนุรักษ์ไว้ถ้ำกลางฟ้าดินท่านมีความศักดิ์สิทธิ์และมหัสจย์ที่สุดพระภัยสารวิสาโล เยี่ยมเยียนสถานที่ตามรอยชีวิตท่านเว่ยหลางท่านเว่ยหลางเป็นปรมาจารย์ที่สําคัญที่สุดองค์หนึ่งของพุทธศาสนาในประเทศจีนอีกทั้งยังได้รับการยกย่องอย่างมากในญี่ปุน่นเนื่องจากเสซนที่สืบทอดมานานนับพันปีในประเทศนั้นไม่ว่าสายไหนก็ล้วนมีท่านเว่ยหลางเป็นต้นทาน เนื่องจากคำสอนของท่านมุ่งสู่การบรรลุธรรมแบบฉับพลันซึ่งมีลักษณะพิเศษเป็นแบบฉบับของท่านเองชี้ว่าประวัติของท่านน่าสนใจด้วยเหตุผลหลายประการกล่าวคือท่านบรรลุธรรมท่านทั้งที่อ่านหนังสือไม่ออกอีกทั้งได้รับว่าตำแหน่งสังฆปริณายกองที่หของนิกายฉาน หรือเซนในญี่ปุ่นทั้งที่ยังเป็นคารวะและเป็นแค่คนงานในวัดเท่านั้นกว่าท่านจะได้อุปสมบทก็ผ่านไปอีกหลายปีหลังจากที่ต้องรีบลี้หนีภัยจากไฟตรงข้ามที่อฉาคิดทำร้ายท่านเป็นเวลานานท่านเบยลางเกิดเมื่อพุทธศักราช1181ด สมัยราชวงศ์ถังอันเป็นยุคทองของพุทธศาสนาในจีนท่านมรณภาพเมื่อพุทธศักราช1256แม้เวลาจะผ่านไปร่วมพันสรปีแต่เรื่องราวของท่านยังเป็นตำนานที่เล่าขันในมือชาวพุทธจีนจนกระทั่งปัจจุบันใช่แต่เท่านั้นสถานที่สำคัญที่เกี่ยวกับประวัติของท่าน ตั้งแต่กำเนิดจนมรณภาพก็ยังมีการอนุรักษ์ไว้สำหรับคนไทยแล้วเรื่องแบบนี้ย่อมไม่ธรรมดาเพราะอย่าว่าแต่บุคคลเมื่อพันปีที่แล้วเลยแค่บุคคลเมื่อสองร้อยปีที่แล้วอย่างหลวงพ่อโตพรมบลังศีบ้านที่ท่านเกิดอยู่ตรงไหนก็ไม่มีใครรู้ สถานที่ท่านเว่ยหลางสมภพและมรณภาพนั้นอยู่ไม่ไกลจากกวางโจอีกทั้งวัดที่ท่านอุปสมบทก็อยู่ในเมืองกวางโจดังนั้นหลังจากเสร็จงานสอนกรรมฐานที่เมืองโฝกลางมณฑลกวางตุ้งข้าพเจ้าพร้อมกับกรยาณมิตรชาวไทยเห็นพ้องต้องกันว่า ไม่มีอะไรดีกว่าการไปเยี่ยมเยียนสถานที่เหล่านั้นเป็นการตามรอยท่านและจารุ บ, บุญไกลๆโดยมีคุณอริจรัดจัญยาวงซึ่งมีความรอบรู้เกี่ยวกับปรมาจารย์ท่านนี้เป็นมักขุเทศตอนที่คุณอริจแนะนำให้ไปเยี่ยมเยือนหมู่บ้านที่ท่านเวลางเกิดนั้น ในใจคิดว่าเป็นเมืองเล็กๆแบบบ้านนอกแต่ที่ไหนได้ซินชิงเป็นเมืองใหญ่อาการแม้กระนั้นมาคุเทศชาวจีนก็บอกว่านี่เป็นเมืองเล็กๆประชากรแค่สี่แสนคนเท่านั้นจัดว่าเป็นอำเภอหนึ่งของเมืองหอยวินผู่ในมณฑลกวางตุ้มบ้านที่ท่านเกิดนั้น ตอนนี้ไม่มีเขาหลงเหลือแล้วมีอาคารบ้านเรือนรายล้อมพระอยู่กลางเมืองแต่มีวิหารเล็กๆข้างหน้าเป็นรูปปั้นพระศรีอานยิ้มต้อนรับอาคารตุ ก, กะถัดจากนั้นจึงเป็นรูปปั้นของท่านเว้ยหลางให้คนมาเคารพสักการะท่านเว้ยหลางกำพร้าพ่อตั้งแต่อายุสามขวบ เมื่อโตขึ้นท่านได้ย้ายบ้านไปอยู่อีกด้านหนึ่งของเมืองปัจจุบันมีวัดสร้างขึ้นเปน็นรูปศรแก่ท่านชื่อวัดหลงถันข้างๆวัดมีสร้างอาคารที่บ่งบอกว่าเป็นบ้านของท่านพร้อมทั้งระบุตำแหน่งที่ท่านตำข้าวด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่นเพราะอยู่บนเขาแวดล้อมด้วยต้นไม้ ท่านต้องทำงานเลี้ยงแม่ตั้งแต่เล็กจึงไม่มีโอกาสเรียนหนังสืออาชีพหลักคือผ่าฟืนขายวันหนึ่งขนฟืนไปส่งให้ลูกค้าที่ร้านขณะที่เดินออกมาได้ยินชายผู้หนึ่งกำลังสาทยายวัชระเฉที่กสูตรพอตั้งใจฟังจิตท่านก็สว่างโพรง ความสนใจในธรรมเกิดขึ้นแก่ท่านทันทีถามชายผู้นั้นว่าได้เรียนธรรมดังกล่าวจากไหนเมื่อได้รับคำตอบท่านก็ลาแม่ไปยังวัดนั้นทันทีคือวัดตรงชาญมณฑลหูเปย่ยซึ่งเป็นวัดของท่านหงเรือนสังฆปรินายกองที่ห้าที่นั่นเอง ท่านต้องทำงานผ่าฟืนและสีข้าวนานหลายเดือนวันหนึ่งได้ฟังว่าศิ์อาวุโสของวัดนี้แต่งสโลกว่ากายนี้อุปมาเหมือนต้นโพใจนี้อุปมาเหมือนกระจกเงาใสจงมันเช็ดมันปัดอยู่เสมออย่าให้ฝุ่นละอองจับคลุมได้ท่านเห็นว่ายังไม่ถูกต้องจึงแต่งสโลกขึ้นอีกบทหนึ่ง แล้ววานคนช่วยเขียนให้เป็นสโลกซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดในประวัติศาสตร์เซนนั่นคือไม่มีต้นโพทั้งไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาดเมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าแล้วฝุน่นจะลงจับอะไรเป็นสนวนแปลพุทธทาสพิกัท่านหงเรนเมื่อได้อ่านสโลกนี้ก็รู้ว่า ผู้แต่งรู้ธรรมอย่างแจ่มแจ้งกระจ่างชัดในอนัตตลักษณะคือรู้ว่าแท้จริงแล้วไม่มีตัวกูของกูมีแต่ทุก์ไม่มีผู้ทุกจึงได้มอบตำแหน่งสังฆปริณายกองค์ที่หกให้แก่ท่านทั้งทั้งที่ท่านยังไม่ได้บวชเราไม่มีโอกาสไปวัดตรงสารแต่ก็ได้ไปเยือนสถานที่ที่ท่านได้สถารท ด้วยความบังเอิญจนบรรลุธรรมปัจจุบันมีการสร้างวัดจินไถเป็นอนุสรณ์แต่ปรากฏว่าประตูปิดตายห้ามเข้าเนื่องจากโครงสร้างอาคารมีปัญหาอาจเกิดอันตรายได้พวกเราได้แต่ถ่ายรูปข้างหน้าวัดอย่างไรก็ตามทั้งสามจุดนี้ ในทัศนาของชาวพุธจีนมีความสำคัญน้อยกว่าวัดที่ท่านมรภาพคือวัดกัวเอินซึ่งอยู่ในเมืองเดียวกันวัดนี้มีอนาบริเวณกว้างขวางมีโบราณสถานและโบราณวัตถุหลงเหลือมากมายแม้ถูกทำลายอย่างหนักในช่วงปฏิบัติวัฒนธรรมเมื่อห้าสิบปีก่อนวัดนี้ สร้างโดยถังเกาจงห้องเต้ท่านเว่ยหลางมาพำนักที่นี่เมื่อชรามากแล้วอยู่ได้เพียงหนึ่งปีก็มรณภาพด้วยอายุเจ็ดสิบห้าปีวัดนี้มีญาติโยมชาวจีนมาทำบุญกันมิใช่น้อยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยระหว่างที่เรากำลังชมวัดก็มีอามาคนหนึ่ง กวากมือเรียกให้พวกเราไปที่วิหารใหญ่ไปถึงจึงรู้ว่ากำลังมีการสงน้ำพระพุทธองค์เนื่องในวันวิสาขบาูชาตามประเพณีจีนผู้คนล้นหลามจนยืนออกอยู่หน้านอกวิหารแต่ทางวัดก็เอื้อเฟื้อให้พวกเราเข้าไปส่งน้ำพระพุทธองค์ได้อย่างสะดวก รวมทั้งได้พบปะท่านเจ้าวาดซึ่งอยู่บริเวณนั้นด้วยอย่างไรก็ตามวัดเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นที่รู้จักน้อยกว่าวัดกวงเซี่ยวในเมืองกวางโจซึ่งเป็นวัดที่ท่านอุปสมบทว่ากันว่าตอนที่ท่านมาถึงวัดนั้นใหม่ๆได้ฟังการบรรยายธรรมของอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่ง ระหว่างนั้นมีการโต้เถียงในหมู่สิทธิ์ของท่านว่าทงหรือลมกันแน่ที่ไหวไหวเถียงกันไม่จบจนกลายเป็นสองฝักสองฝ่ายท่านจึงพูดแทรกขึ้นมาว่าใจของพวกท่านไหวตั้งหากอาจารย์ใหญ่ท่านนั้นได้ยินก็รู้ว่าท่านเว้ยลางซึ่งตอนนั้นอายุสาสิบปดแล้วไม่ใช่คนธรรมดา จึงได้จัดการบวชให้ท่านในเวลาต่อมาจุดเด่นของวัดนี้คือต้นโพซึ่งสำคัญที่สุดในจีนเนื่องจากเชื่อกันว่าท่านปลมผมใต้ต้นไม้นี้ใกล้ๆกันเป็นเจดีเจ็ดชั้นซึ่งเชื่อว่าการบรรจุเส้นผมที่ท่านปลงเอาไว้เนื่องจากวัดนี้อยู่กลางเมืองกวางโจ งมีคนมาสักการะท่านเว่ยหลางมากมายทั้งคนแก่และคนหนุ่มสาวอีกวัดที่สำคัญซึ่งขาดไม่ได้สำหรับการตามรอยท่านก็คือวัดหนานหวาซึ่งอยู่เมืองเสากวรห่างจากกวางโจวสามชั่วโมงท่านได้แสดงทิ้ที่วัดนี้อยู่นานชาวพุทธจีนในไทยคงคุ้นกับวัดนี้มากที่สุด เพราะเป็นที่ปริสถานร่างของท่านที่ไม่เน่าเปื่อยอยู่ในท่านั่งสมาธิหน้าแปลกที่ร่างนี้รอดพ้นจากการทำลายล้างในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมไปได้ทุกวันนี้ถือเป็นสถานที่จาริกวุญสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของชาวจีนวัดนี้มีเน้อที่กว้างขวางอยู่ติดภูเขา สงบร่มรื่นช่วยให้นึกถึงบรรยากาศของวัดจีนโบราณเมืองเสากวรยังมีวัดที่สำคัญคือวัดต้าเจียนท่านผู้รู้ได้ประมาณว่าเนื้อหาร้อยละหกสิบสามในสูตรของท่านเว่ยหลางนั้นมาจากการเทศนาของท่านที่วัดนี้ส่วนร้อยละยี่สิบเจ็ด เป็นงานบรรยายที่วัดหนานหวาที่เหลือท่านแสดงที่วัดกัวเอินอันที่จริงชีวิตและคำสอนของท่านเวยลาางที่กล่าวมาข้างต้นนี้ถือว่าเป็นมุมมองหนึ่งเท่านั้นในวงวิชาการมีข้อถกเถียงมากมายเกี่ยวกับประวัติของท่านแม้กระทั่งคำตอบของท่านอันลือชื่อของท่าน คือสูตรของเว่ยลางก็ยังไม่เป็นที่ยุติว่าใครเป็นคนเขียนเป็นคำสอนของท่านเวยลางจริงหรือไม่และของจริงนั้นเป็นอย่างไรเพราะคำพีเก่าแก่ที่สุดซึ่งค้นพบเมื่อแปดสิบปีที่แล้วมีหลายตอนที่แตกต่างจากฉบับที่แพร่หลายในปัจจุบันโดยเฉพาะสะโลกอันโด่งดังของท่านเวยลาง ในฉบับที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งคนพบที่ทํำตุนหัวงมีถึงสองสโลกและมีเนื้อความแตกต่างกันในสาระสำคัญเลยทีเดียวประเด็นเหล่านี้ยกให้เป็นหน้าที่ของผู้รู้ที่จะช่วยกันหาคำตอบแต่สำหรับผู้ไฝ่รมความแตกต่างเหล่านั้นไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด สำหรับการฝึกฝนอบรมจิตจากยิตยสารสารคดีปีที่30สบฉบับที่352หมิถุนายน2557คอลัมน์รับอรุณตามรอยท่านเว้ยลางสูตรของเว้ยลางอ่านแล้วชีวิตเปลี่ยน วันหนึ่งนั่งทวนความตามบาลีกับหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโคศาจารย์พุทธอดีตเจ้าวาดวาสุวรรณารามจูจูท่านหยิบเอานังสือเล่มหนึ่งมาให้แล้วบอกว่าพอได้แล้วบาลีเอาเล่มนี้ไปอ่านดูเห็นชื่อคราวแรกนึกแปลกในใจว่าเอานังสือจีนจีนแบบนี้มาให้อ่านทำไม แต่พอเห็นชื่อผู้แปลคือหลวงพ่อพุทธธาตุเท่านั้นเลยรับมาหนังสือที่ชื่อสูตรของเว้ยหลางเล่มนี้อ่านคืนเดียวจบเล่มและบอกได้เลยว่าเป็นหนังสือเล่มเดียวในหลายหมื่นเล่มที่ชอบมากอ่านซ้ำไปซ้ำมาแล้วไม่ต่ำกว่ายี่สิรอบหนังสือเล่มนี้ ให้อะไรมากมายแก่นักปฏิบัติธรรมให้อะไรมากมายกับผู้คงแก่เรียนที่ยึดใบลานให้อะไรมากมายกับผู้ทศแสวงหาคําว่านิพพานและให้อะไรเกินกว่าคําว่าให้ถึงกับขนาดอ่านหลายรอบก็วางไม่ลงเลยทีเดียวหลายสนักพิมพ์ที่ได้รับการอนุ ญ, ญาตให้ตีพิมพ์อาทิ สำนักพิมพ์ธรรมสภาสำนักพิมพ์สุขภาพใจเป็นต้นหลวงพ่อพุทธธาตุผู้แปลท่านได้เขียนคำชี้แจงเอาไว้อย่างน่าสนใจมากประโยคหนึ่งท่านบอกเอาไว้ว่าในการนี้จะได้รับประโยชน์ถึงความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนาในขอบคำพีกับพุทธศาสนา ซึ่งอยู่เหนือคาพีพุทธศาสนาที่อิงพิธีรีตอนต่างๆกับพุทธศาสนาที่เป็นอิสระ ต, ตามธรรมชาติเดินตามหลักธรรมชาติพุทธศาสนาที่ให้เชื่อก่อนทำกับพุทธศาสนาให้ลองทำก่อนเชื่อพุทธศาสนาในฐานะวรรณคดี กับพุทธศาสนาประยุกต์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างพุทธศาสนาที่ใช้ได้แต่กับคนบางคนกับพุทธศาสนาที่อาจให้สำเร็จประโยชน์ได้แก่บุคคลทุกคนแม้คนที่ไม่รู้หนังสืออ่านมาถึงตรงนี้ได้แต่ตะลึงกับคําว่าคนไม่รู้หนังสือ เป็นชนวนเหตุให้อ่านแล้ววางไม่ลงในเล่มนี้นอกจากมีประวัติความเป็นมาของเวยหล่างแล้วยังมีธรรมะข้อคิดดีๆมากมายที่สามารถกระตุกจิตใจและเปลี่ยนให้ใจของเราได้อย่างน่าอาัศจรรย์นับเป็นหนังสือในแนวพุทธศาสนาอีกเล่มหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญญาโดยไม่ต้องอิงหลักอะไรเลย นอกจากหลักธรรมชาติไม่ต้องใช้สมาธิมากมายขนาดที่ต้องหลับตาแต่ใช้สติปัญญาแบบสามัญที่มีอยู่นั่นเองท่านเว่ยหลางจากบ้านทางทิศใต้ไปอยู่วัดทางตอนบนของจีนเพื่อไปสมัครเป็นลูกศิษย์ของพระโพธิธรรมองค์ที่ห้าเมื่อหลวงพ่อเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระโพธิธรรม ได้ถามว่าเจ้าเป็นคนป่าจะเรียนธรรมะได้อย่างไรเป็นคำถามเพื่อลองภูมิปรากฏว่าพระโพธิธรรมต้องอึ้งกับคำตอบจะคนป่าคนเขาคนที่ไหนที่ไหนความเป็นพุทธในจิตใจก็หาทำให้เกิดความแตกต่างได้ไหมหลวงพ่อเจ้าวาดเข้าใจเลยว่า เวลาคนป่าคนเขาทางใต้คนนี้ไม่ธรรมดาจึงไล่ให้ไปอยู่ในครัวเพื่อมิให้ใครมาจ้องมองและทำอันตรายแก่เขาคราวหนึ่งหลวงพ่อโพที่ทำประกาศในหมู่สิทธิ์ให้มาเขียนสโลกธรรมเพื่อที่จะตรวจสอบจิตใจว่าใครสมควรที่จะได้รับการถ่ายทอดธรรม พระรูปหนึ่งในวัดที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเต่งได้เขียนสโลกธรรมว่าคราวหนึ่งหลวงพ่อโพธิธรรมประกาศได้มูลสิทธิ์ให้มาเขียนสโลกธรรมเพื่อที่จะตรวจสอบจิตใจว่าใครสมควรที่จะรับการถ่ายทอดธรรมพระรูปหนึ่งในวัดที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเต่งได้เขียนสโลกธรรมว่า กายของเราคือต้นโพใจของเราคือกระจกเงาอันใสเราเช็ดมันโดยระมัดระวังทุกทุกโมงยามไม่ให้ฝุ่นละอองจับเมื่อใครเห็นสโลกธรรมนี้ต่างก็พากันสรรเสริญว่าน่าจะได้รับการยกย่องและถ่ายทอดธรรมเพื่อให้ได้เป็นพระโพทธทิธรรมองค์ต่อไปแต่เรื่องนี้ ทราบไปถึงหูของเว่ยหลางซึ่งอยู่ในครัวจึงเดินออกมาเล่าให้คนแถวนั้นอ่านให้ฟังเมื่อเขาได้ฟังแล้วจึงบอกให้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นราชการช่วยเขียนสโลกธรรมของเขาให้หน่อยราชการหนุ่มคนนั้นจึงถามว่าคนป่าอย่างเจ้ามีสโลกธรรมกับเขาได้หรือไหนลองว่ามาสิ ไหนลงว่ามาเว้ยหลางได้บอกสโลกธรรมนั้นไปราชการหนุ่มคนนั้นเขียนไปมือสั่นไปด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้ความของสโลกธรรมนั้นมีดังนี้ไม่มีต้นโพทั้งไม่มีกระจกเงาใสาสะอาดเมื่อทุกอย่างว่างเปล่าแล้วฝุ่นจะลงจับอะไร ต่อมารุ่งเช้าพระโพธิธรรมเจ้าอาวาสได้มาอ่านสโลกธรรมทั้งสองอ่านก็เข้าใจได้ดีว่าเยลางจิตใจพร้อมแล้วที่จะได้รับการถ่ายทอดธรรมะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากของคนป่าคนเขาที่ไม่รู้หนังสือยังเข้าใจธรรมะได้เพียงนี้แต่แล้ว ท่านก็ออกอุบายเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อเว้ยหลางอีกครั้งด้วยการบอกว่าสโลกธรรมของเว้ยหลางใช้ไม่ได้ให้ลบเสียแต่แล้วไม่นานท่านก็แอบเดินย่องไปหาเว้ยลางในยามเที่ยงคืนเพื่อสนทนาธรรมพร้อมกำหนดให้ไปพบที่กุติเพื่อถ่ายทอดธรรมะให้พร้อมมอบบาตรและจีวรให้ เป็นพระโพธิ์ที่ทำสังฆปริณายกให้ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ออกบวชเลยแล้วบอกให้หนีออกจากวัดไปทางตอนใต้นานถึงสิบห้าปีบางทีไปลบอยู่กับพรานป่าบ้างเป็นต้นหนังสือเว้ยหลางที่หลวงพ่อพุทธธาตแปลนี้บอกได้เลยว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้ว ยกระดับจิตใจของผู้คนได้เป็นอย่างดีและทำให้เข้าถึงตัวพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงแทพระเจ้าจากดุสิตาเทวโลก ต่างแสดงความยินดีต้อนรับต่อการกลับมาพบภูมิเดิมของคุรุพรรัตนาสุวรรณด้วยความยินดีปีติปลาโมดอาจารย์พรรัตนสุวรรณได้พบท่านเวรลางในนุสิตาเทวโลกในวันที่24กุมภาพันธ์พุธศราช2536อาจารย์พรรัตนาสุวรรณ ได้ละกายยาบเข้าสู่ภูมิทิพย์โดยยังไม่ได้ทำงานหาทุนงบประมาณสำหรับให้คณะบุคคลที่จะทำงานสืบสารให้สำเร็จสมความมุ่งหมายก็จำเป็นจะต้องพลาดพลาดจากกายเนื้อเข้าสู่ภูมิในโลกทิพย์ด้วยความต้องการข้อมวลเหล่าเทพเจ้าจากภูมิเดิมอาจารย์พร ได้มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้ถึง74ปี3เดือนกับอก6วันเป็นงานส่วนหนึ่งที่จะต้องมาทำเพื่อช่วยมวลมนุษย์ในเวลานั้นมวลเหล่าเทพเจ้าโอปปติกาทั้งหลายซึ่งต่างก็รอคอยการกลับสู่ภูมิเดิมของอาจารพรต้องการฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จากอาจารพรรัตนสวนุวรรณ ในวันที่อาจารย์พรละทิ้งกายเนื้อเข้าสู่ภูมิทิพย์คุณศรีเพนจัตุทศีได้เล่าว่าสภาวะที่ข้าพเจ้ามองเห็นนานคือขบวนบวัเหล่าเทพเทวามากมายทั้งหญิงและชายต่างแต่งกายด้วยพรัสตราพรสีฟ้าจางใสเหลือด้วยสีเงินกระจ่างช่วยกันจับประคับประคองเตียงทองสลับเงิน ประดับด้วยอัญมณีหัวเตียงและปลายเตียงโค้งงอนขึ้นอย่างได้สัสดส่วนคลุมด้วยผ้ามุ้งโปร่งเบาบางลายดอกไม้สอดสลับด้วยใยสีทองสลับเงินโดยเทพพญายดาชายอยู่ด้านหัวเตียงเทพธิดาอยู่ด้านปลายเตียงกายทิพของอาจารพรนอนหลับอยู่บนเตียงนั้น กลิ่นหอมอ่อนๆของมวลไม้ดอกกำจายทั่วบริเวณเสียงสวดมนต์เข้าเสียงดนตรีแผ่วหวานแต่จับไม่ได้ว่าเป็นดนตรีชนิดใดพ่อฤาษีหลวงพ่อสมเด็จสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรวมทั้งเทพเทวายกมากมายก็ได้มาพร้อมกับขบวนต้อนรับกายทิพย์ของอาจารย์พรด้วย ข้าพเจ้ารู้สึกปราบปลื่มดีใจที่ได้เห็นสภาพนั้นอาจารย์พรได้ถ่ายทอดเหตุการณ์ในช่วงนั้นว่าขณะที่อาจารย์ยังทำงานที่อยู่ในสภาพของกายเนื้อมีงานที่ยังทำไม่สำเร็จครบตามความมุ่งหมายคือการหาทุนงบประมาณสำหรับให้คณะบุคคล ที่จะทำงานสืบสารต่อเจตดารมนั้นยังไม่ได้ทําในขณะนั้นรู้สึกง่วงนอนมากแต่ก็พยายามฝืนเพราะรู้ว่าถ้าหลับเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าจะต้องจากกายเนื้อซึ่งกาลังนอนอยู่บนเตียงนี้แน่นอนเนื่องจากได้เห็นตนเองเมานอนอยู่บนเตียงอีกเตียงหนึ่งเหนือเตียงที่มีกายเนื้อนอนอยู่ ก็รู้ได้ทันทีว่าบัดนี้ได้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องละทิ้งกายเนื้อไว้ทับถมแผ่นดินได้เกิดเป็นโอปปะปิกะมีกายที่เกิดจากใจเป็นกายทิ่แล้วโดยสมบูรณ์ทันทีที่เกิดความรู้สึกเช่นนั้นก็รู้สึกง่วงและพลอยหลับไปเป็นการอย่างลงสู่ความหลับที่มีปีติและสุข อย่างท่วมทน้นมีสติรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะจิตจนถึงขณะจิตสุดท้ายที่หลับไม่ทราบว่าช่วงเวลาที่หลับนั้นกินเวลา น, านานสักเท่าใดจึงรู้สึกคล้ายกับมีแรงกระตุ้นจากภายในใจว่าตันหาโปโนภวิกาอวิชาปัจยาสังขาราสังขาราปัจยาวิญญาณัง วิญญาณปัจจยานามรูปังมองเห็นแสงฉับพันรังสีหมุนลอยอยู่เบื้องหน้ารู้และเข้าใจทันทีว่าบัดนี้ได้มีชีวิตเกิดใหม่หลังจากชีวิตที่ทุกคนในโลกมนุษย์ถือว่าได้ตายไปแล้วความจริงได้ปรากฏให้เห็นอย่างแท้จริงแล้วว่า ความตายไม่ใช่ความสิ้นสุดของชีวิตตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นหรือรู้ได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งนำทางหาตนเองให้พ้นจากความทุกข์ได้จริงๆมวลเหล่าเทพเจ้าจากดุสิตาเทวโลกมารับอาจารย์พรรัตนาสุวรรณกลับสู่ภูมิเดิม ด้วยความยินดีปีติปาตราโมดอาจารย์มีความยึดมั่นในคุณของพระรัตนตรัยอย่างลึกซึ้งเป็นเหตุให้อาจารย์ได้กลับมาสู่ภพภูมิเดิมภูมิชั้นดูสิตาเทวโลกเป็นภพภูมิที่เข้าใจถึงเรื่องราวของชีวิตในทุกๆภูมิรวมทั้งโลกมนุษย์ด้วยถ้าไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงแล้ว การประพฤติธรรมก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้อาจารย์พรรัตนสุวรรณได้พบท่านเว้ยหลางในดนุสีตาเทวโลกอาจารย์พรแวะไปเยี่ยมอาจารย์เสถียนโพธินันซึ่งท่านเก่งและมีความจำเป็นเลิศในเรื่องคำภีร์พุทธศาสนาอาจารย์พอรอยากไปกราบท่านเว้ยหลาง และอยากให้อาจารย์เสถียรผู้คุ้นเคยกับท่านเวลาังไปเยี่ยมด้วยกันอาจารย์เสถียรบอกว่าไม่มีปัญหาแต่ต้องไปให้ตรงกับวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเพราะท่านจะออกมาแสดงธรรมสากัรฉาที่ธรรมสภาในอุทยานของท่านหลวงพ่อสัมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตได้บอกกับอาจารย์พรว่า ให้เข้าไปในหอประชุมณนะที่นั้นท่านเวลางได้ให้เกียรติมาพูดถึงธรรมบางบทบางตอนให้ฟังเป็นการต้อนรับการกลับสู่ภูมิเดิมของครุพรเมื่อเดินเข้าไปในหอประชุมตรงกลางเวทีใหญ่มีเก้าอี้แก้วเจรณไนส่องแสงสว่างแวววาววิบวับอูลาดด้วยเบาะรองนั่ง พุ่มด้วยผ้าลูกไม้โปร่งสีทองสลับยิ้นเงินมีหมอนอิงกลมวางสำหรับพิงหลังและเท้าแขนแต่ยังมองไม่เห็นว่าจะไว้สำหรับผู้ใดเป็นการรู้โดยอัตโนมัติอาจารย์เดินขึ้นบนเวทีไปยืนด้านหลังสแตนตามเดิมเป็นคู่เดียวที่เก้าอี้แก้วเจอรณไน ก็ปรากฏบุคคลซึ่งแต่งกายสีเหลืองนวลปักดอกเป็นรูปดาวเงินดาวทองระยับเดินเข้ามานาั่งบนเก้าอี้แก้วเจรไนกลางเวทีนั้นทุกคนในหอประชุมยืนขึ้นต้อนรับพร้อมกับคำว่าสาธุแผ่พฟิ้วอยู่ทั่วทุกอนูของบรรยากาศอาจารย์เองก็รู้สึกตกตะลึงและงง ง, งนัน เมื่อได้เห็นใบหน้าของผู้ที่เข้าใจว่าเป็นท่านเว้ยหลางนั้นช่างเยือกเย็นและอิ่มเอิบแจ่มใสในตาบ่งบอกถึงว่าจิตใจเงียบสงบโดยแท้จริงท่านกล่าวขึ้นด้วยสำเนียงกลางวานว่าอนุโมทนาด้วยความยินดีต่อการกลับมาของครูพรรัตนาสุวรรณอันเป็นเหตุชักจูงให้ได้มาเยี่ยมเยียน อย่างอณาจักรแห่งผู้ไฝ่หาคำบรรยายพุทธปรัชญามีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อยู่บทหนึ่งซึ่งหน้าที่จะได้นำมาบอกกล่าวในที่ประชุมคราวครั้งแห่งการต้อนรับคุรุพรขอทุกท่านจงรับฟังด้วยดวงจิตอันเบิกบานข้าพเจ้าได้ยินมาดังนี้ยังมีสิ่งหนึ่งอยู่อีก โปรดฟังให้ดีเนื่องจากให้ความสว่างอันมีค่าเลือดลำประดุษทองคำบริสุทธิ์ขณะเดินทางเที่ยวสั่งสอนประกาศศัจธรรมแกเวนยสัตว์กับพระพิสุสงสาวกของพระองค์มีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้ากับสาวกทั้งหลายมาถึงฝั่งแม่น้ำ ติดกับทุ่งกว้างของชายผู้ดำเนินอาชีพทางเลี้ยงปศุสัตว์ชื่อธนิยะซึ่งเป็นคนอยู่ในฐานะมั่งคั่งและเป็นปลึกแผ่นในกิจาการของเขาแต่เป็นคนมีความเมตตาสูงและดำเรชีวิตยอย่างง่ายๆซึ่งเป็นแบบที่พระศาสดาผู้บรรลุสันติสุขนิยมชม ช, มชอบณที่นี้ พระศาสดาได้หยุดเดินพร้อมกันนั้นเราพระภิกษุสงฆ์สาวกต่างพากันหยุดเดินแล้วนั่งอยู่โดยรอบพระองค์พระองนั่งคิดพร้อมกับยิ้มน้อยๆพลางตรัส ด, ดังนี้ณที่แห่งนี้พวกเราได้แลเห็นความอุดมสมบูรณ์ใหญ่หลวงของวัวควายและสัตว์เลี้ยงอื่นๆกับทุ่งหญ้า แน่นอนเหลือเกินชายเจ้าของสิ่งมีค่าเหล่านี้สันโดษเป็นอย่างดีณที่แห่งนี้พวกเราได้ลายเห็นความอุดมสมบูรณ์ใหญ่หลวงของวัวควายและสัตว์เลี้ยงอื่นๆกับทุ่งหญ้าแน่นอนเหลือเกินชายเจ้าของสิ่งมีค่าเหล่านี้สันโดษเป็นอย่างดีพอธนิยะได้เห็นพระศาสดา ผู้ควรจัดการเคารพสักการะจึงเดินมาหาในการภูมิใจต่อฐานะชาวชนบทของเขาพรางกล่าวกับพระพุทธองค์ว่าข้าพเจ้าได้หุงข้าวของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าได้รีดนมวัวของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าพำนักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมากห่ลังคาบ้านของข้าพเจ้ามุงเรียบร้อยไฟของข้าพเจ้าลุกเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากปล่อยฝน ล, ลงมาก็ตามใจสิทองฟ้าเอ๋ยทางนี้เกิดมาจากความศรัทธาต่อความมั่งคั่งของเขาซึ่งนับได้ว่าเป็นเครื่องป้องกันภัยอย่างแน่นหนาเขาจึงไม่ได้หวาดกลัวต่อสิ่งใดทั้งสิ้นข้าพเจ้าพ้นจากความโกรธพ้นจากความดื้อดึง พระศาสดาผู้บรรลุสุขติตรัสข้าพเจ้ามาพักอยู่ที่ในแม่น้ำมหิเพียงคืนเดียวบ้านของข้าพเจ้าไม่ได้มุงหลังคาไฟแห่งกเกลียดก็ดับหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากปล่อยฝนลงมาก็ตามใจสิท้องฟ้าเอยพระพุทธองค์ทรงยิ้มตัวเหลือไม่ได้มารบกวนเลย ธนิยาคนเลี้ยงปศุสัตว์พูดวัวของข้าพเจ้าเขาท่องเที่ยวไปตามทุ่งอันอุดมด้วยย่าเวลาฝนตกมันสามารถทนได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากปล่อยฝน ล, ลงมาก็ตามใจสิท้องฟ้าเอย๋ยข้าพเจ้าได้ทำแพขึ้นแพหนึ่งข้าพเจ้าได้ข้ามพปยังฝั่งแห่งสันที่สุด ถ้าศาสดาผู้บรรลุสันติสุขตรัสเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากปล่อยผลลงมาก็ตามใจสิท้องฟ้าเอ่ยพัญญาของข้าพเจ้าอยู่ในโอวาทธนิยะคนเลี้ยงปศุสัตว์คุยอวดเธอเป็นคนมีสเสน่ห์และข้าพเจ้าไม่เคยได้ทราบสิ่งชั่วร้ายในตัวของเธอเลยเพราะฉะนั้น ถ้าท่านอยากปล่อยฝนลงมาก็ตามใจท่านสิทองฟ้าเอ๋ยดวงใจของข้าพเจ้าอยู่ในโอวาหลุดพ้นจากสิ่งอยู่ที่เกี่ยวข้องกับทางโลกทั้งมวลพระศาสดาผู้ทรงบรรลุสุขติตรัสและในตัวของข้าพเจ้าไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่เลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากปล่อยฝนลงมาก็ตามใจท่านสิ ทองฟ้าเอ่ยข้าพเจ้าเลี้ยงดูตนเองโดยอาศัยความมั่งคั่งของข้าพเจ้าทัานยะคนเลี้ยงปศุสัตว์พูดและบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าต่างมีสุขภาพอนามคยสมบูรณ์อยู่รอบรอบกายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยพบว่าบุตรเหล่านี้ของข้าพเจ้าประพฤติเสื่อมเสียแต่อย่างใดเลย เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากปล่อยฝน ล, ลงมาก็ตามใจท่านสิท้องฟ้าเอย๋ยข้าพเจ้ามิได้เป็นลูกจ้างของผู้ใดพระศาสดาผู้ประเสริฐสุดตรัสอาศัยสิ่งที่ข้าพเจ้าได้มาข้าพเจ้าท่องเที่ยวไปในโลกสําหรับข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องให้ใครมาคอยรับใช้เพราะฉะนั้น ถ้าท่านอยากปล่อยฝนลงมาก็ตามใจท่านสิท้องฟ้าเอ๋ยข้าพเจ้าไม่มีแม่วัวข้าพเจ้าไม่มีลูกวัวพระศาสดาผู้ประสงค์ความสุขโดยสมบูรณ์ตรัสและข้าพเจ้าไม่มีวัวถึกเป็นจ่าฝูงเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากปล่อยฝนลงมาก็ตามใจท่านสิท้องฟ้าเอ๋ย หลักล่ามวัวได้ตอกลึกไม่มีทางสั่นคลอนทานิยะคนเลี้ยงปศุสัตว์พูดเชือกใช้ล่ามก็ยังใหม่และทำแน่นหนาวัวไม่สามารถกระชากให้ขาดได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากปล่อยฝนลงมาก็ตามใจท่านสิท้องฟ้าเอ๋ยหลักล่ามวัวได้ตอกลึกไม่มีทางสั่นคลอน ท่านิยะคนเลี้ยงปศุสัตว์พูดเชือกใช้ล่ามก็ยังใหม่และทำแน่นหนาวัวไม่สามารถกระชากให้ขาดได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากปล่อยผลลงมาก็ตามใจท่านสิทองฟ้าเอ๋ยการมีทรัพย์สมบัติเปรียบเหมือนวัวถึกกระชากเชือกล่ามขาดการมีทรัพย์สมบัติ เปรียบเหมือนช้างแขกผะเดียดออกไปได้พระศาสดาผู้ทรงบรรลุสุขติตรัสข้าพเจ้าจะไม่เกิดเพื่อความตายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากปล่อยฝนลงมาก็ตามใจท่านสิทองฟ้าเอ๋ยพรางพุทธองค์ทรงยิ้มในอาการผู้อยู่ในความสุขสงบ โดยนั่งอยู่บนบัลลังก์เหนือความทุกข์เหนือความเปลี่ยนแปลงใดๆครั้นแล้วในทันทีทันใดนั่นเองจากเมฆก้อนใหญ่ดำมืดมีฝนตกลงมาอย่างพื้นดินและพื้นน้ำขนานใหญ่ในตาของธริยะมีประกายแวววาบลักษณะของผู้ได้พบแสงสว่างโดยได้มองเห็นความมั่งคั่งแท้จริง แห่งมืออันว่างเปล่าและดวงจิตอันมีอิสราภาพหลุดพ้นจากโลกีเพร้อมทั้งกม้มศีรษะลงแทบเท้าของพระาศาสดาผู้ประเสริฐสูงสุดพลางกล่าวขึ้นว่าผลกำไรที่เพิ่มพูนให้แก่เราไม่ใช่เล็กน้อยเลยนับจากเราได้พบพระาศาสดาเราขอยึดพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งที่เราดึก ถ้าพระพุทธองค์เป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องสูงสุดพระพุทธองค์ผู้เป็นนาถาของโลกเป็นผู้รู้แจ้งโลกเราขอยึดพระพุทธองค์เป็นาศาสดาพุทธังสรนังคัจฉามิเขาผู้มีวัวมีหน้าที่ดูแลวัวของเขาพระศาสดาผู้บรรลุสุขติตรัสต่อ แต่เขาผู้เป็นอิสระจากการมีวัวหรือทรัพย์สมบัติไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรเลยทานิยะชายผู้มั่งคัง่งประกอบกิจการเลี้ยงปศุสัตว์แต่มีความสันโดษมีความเมตตากรณุณาได้บรรลุถึงทางแห่งสันติสุขเข้าสู่ภูมิอริยะด้วยประการชนี มีโอกาสเป็นครั้งคราวที่เทพเจ้าจากภูมิอริยะจะมาเยือนพร้อมทั้งนำาธรรมคำสั่งสอนและข้อวัดปฏิบัติมาแนะนำเพื่อยกระดับจิตของผู้อยู่ในภูมิต่างๆซึ่งกำลังแสวงหาสันติสุขถาวรโอกาสเช่นนั้นจะได้รับทราบจากการตั้งจิตอธิษฐานไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ขอทุกท่านผู้ปรารถนาความสุขบริสุทธิ์สงบละเอียดอ่อนพึงตั้งมโนรมให้ถึงพร้อมเถิดซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าสักวันหนึ่งท่านทานิยะที่กำลังกล่าวถึงนี้หรือเทพเจ้าแห่งภูมิอริยะจะมาเยือนธรรมสภาแห่งดุสิตาเทวโลกสักลา เป็นความยินดีอย่างยิ่งน่ารื่นเริงอย่างยิ่งที่คุรุพรรัตนาสุวรรณได้มาเพิ่มจํานวนซึ่งขาดหายไปของเทพดุสิตาให้สมบูรณ์พร้อมกันกับชาวดุสิตาเทวโลกได้ยินได้ฟังวาทะของคุรุพรรัตนาสุวรรณซึ่งได้เรียบเรียงถ้อยคําพุทธวจนะให้ง่าย เพื่อความเข้าใจและเข้าถึงได้ลึกซึ้งตามสภาวะของผู้เดินทางสแสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอย่างไรก็ดีถ้ามีผู้ใดเข้าถึงจิตเดิมแท้ผู้นั้นก็จะเป็นอิสระจากสิ่งก่อกเกี่ยวซึ่งลวงให้หลงมัวเมาอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นสิ่งเที่ยงแท้ และโยงใหญ่ก่อให้เกิดความทุกข์โดยไม่มีวันสิ้นสุดขอสาธุชนทุกท่านจงกล่าวอํานวยพรพร้อมกันหน้าบัดนี้ภวะตุสัพพมังลังรักขันตุสั พ, พเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาสดถิงพวันตุเตภวะตุสัพพมังลัง รักขันตูสับพระเทวตาสับพระธรรมานุภาเวนะสทาโสวดทิงพวันตุเตภวะตุสับ พ, พมังขลังรักขันตุสับพระเทวตาสับพระสังขานุภาเวนะสทาสดถดิงพวันตุเตเสียงสวดสาทยายอํานวยพรสะท้อนก้องกังวาน แผ่นเปลือยอยู่ในทั่วทุกอนูของบรรยากาศก่อให้เกิดพลังโดยรอบมีแต่สารติราวกับอากาศโดยรอบกลั่นกรองจนกลายเป็นละอองน้ำค้างแห่งพรอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่สามารถจะมองเห็นพรมลงบนศีรษะและทั่วสารพรางกายเป็นผลให้ความปรีดาปราโมชยังไม่เคยได้รับมาก่อน แล่นเข้าสู่จิตใจเกิดความรู้สึกดื่มดำในรสพระธรรมอย่างลึกซึ้งกลับทั้งตื้นตันในคุณของพระรัตนตรยัยอย่างไม่เคยได้รับมาเท่าครั้งนี้มาก่อนจึงได้ภาวนาอยู่แต่กับคำว่าพุทธท า, างสารนังคัจฉามิตลอดเวลาจะรู้สึกตัวมองไปโดยรอบ เห็นทุกท่านภายในหอประชุมยังคงหลับตานี้โดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนอกจากแสงฉับพันรังสีที่โต๊ะหมู่บูชาบนเวทีเท่านั้นที่หมุนรอบช้าๆแผ่พลังรังสีอยู่ตลอดเวลาเก้าอี้ใสแก้วจีรัยหายไปไรร่องรอยสาธุ ท่านเป็นเนื้อบุญของมดุลและเทวดาทั้งหลายตลอดกาลนานเป็นนิดเถิดท่านได้แสดงธรรมบางตอนว่าความลึกซึ้งแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เกี่ยวอะไรกันเลยกับภาษาที่เขียนด้วยตัวหนังสือจงทำใจของท่านให้อยู่ในสภาพเหมือนกับความว่าง อันหาขอบเขตไม่ได้แต่อย่าให้วันเข้าไปติดในทิศถี่ว่าดับศูนจงให้ใจทําหน้าที่เข้ามาอย่างอิสระไม่ว่าท่านจะกําลังทํางานหรือหยุดพักจงอย่าให้ใจของท่านเก่อเกี่ยวในสิ่งใดจงอย่าไปรู้สึกว่ามีความแตกต่างระหว่างอริยะบุคคลกับบุคคลธรรมดาอย่าไปคิดว่า มีความแตกต่างระหว่างตัวผู้กระทำกับสิ่งที่ถูกกระทำจงปล่อยจิตเดิมแท้และสิ่งทั้งปวงไว้ในสภาพแห่งความเป็นเช่นนั้นแล้วท่านก็จะอยู่ในสมาธิตลอดเวลาการทำจิตให้เป็นอิสระจากมลทินทั้งปวงคือศีลเขาภาวะที่แท้แห่งจิต การทำจิตให้เป็นสลาจากความกระวนกระวายทั้งหลายคือสมาธิของภาวะที่แท้แห่งจิตสิ่งที่ไม่เพิ่มขึ้นหรือไม่ลดลงนั่นแหละคือวัชระวัชระหมายถึงภาวะที่แท้แห่งจิตการมาและการไปเป็นสมาธิในชั้นต่างๆความเป็นตัวตนนั้นไม่ใช่อะไร นอกจากเป็นภาพรวมอันเกิดจากการประชุมกันของขันห้าและภาพรวมนี้ก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับความจริงแท้การยึดมั่นว่ามีตถาตถาความคงที่แต่อย่างนั้นเท่านั้นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้สำหรับเราที่จะยึดหมายและมุ่งไปสู่ย่อมเป็นธรรมที่ไม่บริสุทธิ์อย่างหนึ่ง อาจารย์พรกล่าวว่าสําหรับคนที่ยังมีตันหาหรือความอยากความต้องการอยู่ในสันดานแล้วไม่ว่าจะเกิดมีหรือเกิดเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่มีที่เป็นนั้นจะต้องก่อให้เกิดความทุกข์เสมอไม่มีข้อยกเว้นจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการที่ว่ามีมากหรือมีน้อยเพียงใด ความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างเกิดจากเหตุเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันและในที่สุดก็จะต้องดับเพราะความสิ้นแห่งเหตุในวาระครบรอบร้อยปีชาตการของอาจา ร, รย์พรรัตนาสุวรรณเมื่อวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561รคณะสิทธ ได้ร่วมกันตั้งวันที่อาจารย์พรละกายเนื้อเข้าสู่ภูมิทิพย์คือวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันกระตัญญูอาจารพรรัตนสุวรรณและจัดงานราลึกถึงอาจารย์พรนิมนท์พระมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลทักษนานุปทานถวายพระตาหารพระภิกษุทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนข้ามูลนิธิพรรตนาสุวรรณงานวันกตันยูอาจา ร, รย์พรรตนาสุวรรณชาดุสีตาเทวโลกก็จัดงานร่วมแสดงความยินดีปีติปรามโมชพร้อมกับคณะสิทธิในโลกมนุษย์ปัญยากาศความเป็นไปในโลกทิพและโลกมนุษย์ เปรียบเสมือนฝาแฝดแทรกซ้อนแยกจากกันไม่ได้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นเงาสะท้อนของกันและกันคือเหมือนกันอยู่ตลอดเวลาท่านเว้ยหลางพระสังฆปรินายกองที่หกของศาสนาพุทธนิกายเซนในประเทศจีนได้เกียรติมาร่วมงานวันกตันยูอาจารพร ท่านมาอนุโมทนาด้วยความยินดีในความกตัญญูของคณาสิทธิ์ที่มีต่ออาจารย์พรตั้งจิตส่งพลังแห่งความสุขขอให้ทุกคนรำลึกถึงพระคุณขององค์บรมศาสดาซึ่งได้ให้พระธรรมอัลลัมเลิศเปรียบประดุจประทีปชัชวาลส่องสว่างทำลายอาวิชาความมืดให้อันตราฐานหายไป What on earth am อ h e อ e for ฉันอยู่ที่นี่บนโลกนี้เพื่ออะไรเครื่องวัดคุณภาพของคนที่แท้จริงคือผลของงานที่ทำอย่างสม่ำเสมอเราคือผลของสิ่งที่เรากระทำเป็นประจำประโยชน์ที่เราสร้างสรรค์ฝากไว้แก่เพื่อนมนุษย์คือความจริงที่ควรค่าแก่การจดจำ คณะสิทธิ์ของอาจา ร, รย์พรรัตนสวนุวรรณจัดทัวมหาบารมีไปนำมัส ก, การพระสังฆปรินายกองที่หกหลักโจท่านเว่ยหลาวันเสาร์ที่23ากันยายน2566คณะสิทธิ์ของอาจา ร, รย์พรรัตนสวนุวรรณมีคุณสีเพนจัดตุทศีคุณชฉิการโรจนาโกศล คุณทวีรีลาเวชบุตรพร้อมครอบครัวเครือญาติมิสหายรวมจำนวนสิบเก้าคนพร้อมไกเดินทางไปกราบนมัสการพระสังฆปรินายกองที่หกท่านเว่ยหลางโดยเดินทางไปเมืองกวางเจาประเทศจีนเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้งมีประชากรสองล้านคนมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉินมีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านใจกลางเมืองจึงทำให้มีการคมนาคมสะดวกอย่างยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับการขนานนามเป็นประตูด้านใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ล่องเรือในแม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุก ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุง้งบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกและตรกากตราของแสงสีเสียงตลอดทั้งสองฝากฝั่งของแม่น้ำจูเจียงได้เห็นแสงเลเซอร์ลำแสงยาวๆหลากหลายสีสันที่พร้อมใจกันยิงขึ้นจากตึกสูงๆหลายๆตึกโดยยิงไปรอบๆเมืองอีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สุดประทับใจที่ทำให้ได้รู้จักเมืองความเจ้ายุคใหม่มากยิ่งขึ้นวันนี้ตรงกับวันเปิดกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่สิบก้าที่เมืองหางโจด้วยบรรยากาศยิ่งใหญ่อลังการมากวันอาทิตย์ที่24กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหก คณะสิทธิ์เดินทางสู่เมืองเสากวนใช้เวลาเดินทางจากกวางเจามาเสากวนสามชั่วโมงเมืองเสากวนตั้งอยู่ทางเหนือของมณฑลกวางตุ้มติดกับมณฑลหูหนานและเจียงซีเป็นเมืองที่มีพื้นที่ประมาณ 1,8,600 ตารางกิโลเมตรใหญ่ที่สุดในมณฑลกวางตุ้ม เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของมณฑลกวานนงตุง้งเพื่อเชื่อมไปยังภาคเหนือของจีนเดินทางต่อไปสู่เขาตันเซียบริเวณภูเขาแห่งนี้มีลักษณะเป็นหินทรายสีแดงซ้อนเป็นชั้นๆซึ่งดูแล้วเหมือนเมฆสะท้อนแสงอาทิตย์ยามสุนทยาถึงได้เรียกชื่อตันเซีย มีความหมายถึงเวลาพลวัเพลตอนพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าอันลักษณะภูมิประเทศแบบนี้ไม่มีในที่อื่นเลยและกำลังขอจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอยู่มีกระเช้าขึ้นลงให้ผู้คนขึ้นไปชมอยู่สุดทางข้างบนของเขาตันเซียมีเนินกว้างขวางร่มรื่น คณะสิทธิอาจา ร, รพร ร, รัตนสุวรรณได้ไปสวดมนต์ขอพรและคุณศรีเพนจัดตูทศีได้ติดต่อกับท่านเว้ยลางทางสมาธิท่านมาต้อนรับและเล่าว่าบริเวณเทือกเขาเหล่านี้เป็นภูมิสวรรค์ที่ซ้อนอยู่ข้างบนเป็นสถานที่ท่านมาหลบลี้หนีภัยและปฏิบัติธรรมท่านรู้สึกมีเกียร์ ที่ได้มาต้อนรับคณะสิทธิอาจา ร, รพรในวันนี้ซึ่งเป็นการเพิ่มพลังให้กับท่านท่านตั้งจิตส่งพลังแห่งความสุขให้ทุกคนพึงระลึกถึงพระคุณของพระบรมศาสดาซึ่งได้ให้พระธรรมอัลล้ำเลิศเปรียบประดุจประทีปชัดชวาลส่องสว่างทำลายอวิชชาความมืดให้อันตราธาหายไป วันจันทร์ที่25กันยายน2566วัดที่สําคัญที่สุดในการตามรอยท่านเว่ยหลานคือวัดหนานหวาซึ่งอยู่ในเมืองเสา่ากวนท่านได้แสดงธรรมที่วัดนี้อยู่นานชาวพุทธจีนในไทยคุ้นเคยกับวัดนี้มากที่สุดวัดหนานหวาวัดพุทธนิกายชานที่สําคัญของจีนทางใต้ วัดมีเนื้อที่กว้างขวางอยู่ติดภูเขาสงบร่มรื่นชื่นบานคณะสิทธิ์ของอาจารย์พรเข้าไปกราบน้ำสการองค์หลักโจกท่านเว่ยหลางสังค้าปรินายกองที่หกของนิกายชานที่หลังจากมรณภาพไปแล้วมากกว่าหนึ่งพันปีพระสรีระของท่านยังคงอยู่สภาพเดิมในท่านนั่งสมาธิ ไม่ได้เน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาเป็นเพราะบา ร, รมีของท่านมีพลังศักดิ์สิทธิ์รักษาไว้ภายในวัดยังมีสิ่งมีค่าอีกมากมายหลายอย่างที่น่าสนใจศึกษาเช่นพระบรมราชโองการของพระนาบูเช็คเทียนรูปปั้นพระราหันห้าร้อยองค์ยุคราชวงศ์ง เนื้อใจดีโลหะราชวงศ์สิงคระฆังใหญ่ราชวงศ์ฮั่นใต้เท้าจากตัวโลกบาลแกะสลักจากไม้ราชวงศ์หมิและวัตถุมงคลอื่นๆอีกจำนวนมากคณะสิทธิ์ของอาจารย์พรขึ้นไปชั้นสามของวัดหนานหวาเพื่อไปกราบพระสรีระร่างของพระสังฆปรินายก จากด้านนอกอาคารและได้ร่วมกันเจริญพุทธมนและขอพอรท่านเว้ยหลางคุณสีเพนจัตตุทศีได้ติดต่อกับท่านทางสมาธิคณะสิทธิ์ของอาจารย์พรได้สนทนาเรื่องของท่านเว้ยหลางมีข้อความที่ได้บันทึกไว้ดังนี้วันที่25้ากันยายน 2,566 ตอนที่หนึ่งคุณชฉลิกาวันนี้คณะเราได้มีโอกาสมาสัมผัสสิ่งที่ดีที่งามพวกเราโชคดีถึงแม้ว่าพวกเราเป็นคนที่ไม่มีดวงตาทิพย์ยังมองอะไรไม่เห็นแต่เรายังโชคดีที่เรายังมีดวงตาสวรรค์มากับเรา ที่จะให้ความเมตตาปราณีกรุณาต่อพวกเราเพื่อให้เราได้รู้ได้ทราบบรรยากาศต่างๆที่ผ่านมาที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทำใจให้สงบและสะดับรับฟังแววเสียงสวรรค์ณนาบัดนี้นะคะคุณสีเพนสวัสดีค่ะทุกๆคนทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสีเพนต้องขอบคุณคณะของพวกเราทุกๆคนที่ได้มีโอกาสมาเข้าสู่บรรยากาศสวรรค์ของท่านเวลายาที่ท่านกรุณาพวกเราให้ได้มารับสิ่งที่ดีที่งามตลอดระยะเส้นทางที่ผ่านมาตั้งแต่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิบรรดามวลเหล่าเทพเจ้าทั้งหลาย โอ้โหรู้สึกว่าท่านดีใจมากที่ว่าคณะพวกเราที่จะได้มาเหยียบแผ่นดินของที่นี่ท่านก็เลยบอกว่าเท่ากับมาเพิ่มพลังให้กับสิ่งที่ดีที่งามที่ท่านมีอยู่นั้นให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นและเพื่อท่านจะได้ให้พรให้ศีลให้พรสําหรับเป็นความสําเร็จทุกๆคนที่ได้มา ไม่ใช่แต่คณะเราที่ได้มากราบมาไหวมารำลึกถึงจะได้พบแต่สิ่งที่ดีที่งามเพราะชะนนก็เป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราคือท่านบอกว่าท่านไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้พบบรรดาพวกที่มาเที่ยวมากราบมาไหวที่มีจิตเป็นกุศลมาเพิ่มพลังให้กับเป็นพลังของสวรรค์จากที่นี่ไป เวลาใครมากราบมาไหว้กลับไปก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีที่งามตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านก็ขอบคุณมากขอบใจมากไม่รู้ว่าจะขอบใจอย่างไรที่ว่าได้มาเพิ่มพลังให้กับท่านคุณชฉลิกาแล้วก็เทวดามีใครมาบ้างคะพี่คะคุณสีเพ็ญ เทวดามาเพียบไม่รู้ว่าทั้งจักรวาลละมะั้งท่านดีใจคุณชฉลิกาดีใจค่ะอาจารย์พรมาด้วยคุณศรีเพนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราขึ้นไปเมื่อวานนี้ที่เขาตันเสียคุณเฉลิ่กาที่ขึ้นกระเช้าไปใช่ไหมครับคุณศรีเพนใช่แล้วคุณชฉลิ่กา บริเวณนั้นเป็นภูมิสวรรค์ใช่ไหมคะคุณศรีเพนเป็นภูมิสวรรค์เป็นภูมิที่ให้แสงสว่างให้ความสำเร็จสำหรับทุกคนที่มากราบมาไหว้คุณชฉลิกาเป็นพลังสีรุ้งเลยใช่ไหมคะคุณศรีเพนเป็นสีรุ้งหลายๆสี แล้วก็รวมมวลตัวเป็นภาพธรรมจักคุณชรลิกาเป็นรูปธรรมจักใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้องบรรพรุษพวกเรามาทั้งหมดไหมคะคุณสีเพ็ญคงจะมาหมดแต่พี่ก็ไม่รู้จักทั้งหมดหรอกนะโดยเฉพาะญาติพี่น้องแล้วก็บรรดาพวกที่เป็นญาติพี่น้องของพวกเรา คือเราเป็นสื่อให้ท่านได้มาถึงที่นี่อีกถ้าไม่มีพวกเราเป็นสื่อบางทีก็อาจจะไม่ได้มาพบบรรยากาศแบบนี้คุณชฉลิกาท่านก็อวยพรให้ทุกคนคุณสีเพนให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไม่มีเจ็บไม่มีไข้มันจะปลอดโปรงให้เราตลอดไปไม่ว่าอวัยวะส่วนไหนคุณชฉลิกา ดีมากค่ะแล้วเขาอยากจะขอความรู้จากท่านเวลานว่าประวัติที่เขากล่าวถึงท่านขอให้เราได้รับแสงสวา่างได้รับความจริงเหมือนที่พระแม่กวนิมเคยบอกเราที่ว่าร่างท่านไม่เน่าไม่เปื่อยที่นั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมครคุณศรีเพ็ญคือร่างกายมันก็เปื่อยเน่าไปตามสภาพของธรรมชาติ เหมือนอย่างคนทั่วไปก็ต้องเน่าต้องเปือ่อยแต่สิ่งที่เน่าที่เปื่อย น, นั้นมันกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งทําให้คนได้เห็นอีกในสภาพเหมือนเดิมคุณชริกาก็อยู่ในวัดที่เราไปใช่ไหมคะ่ะร่างท่านก็อยู่ที่วัดที่เราไปเพียงแต่เน่าเปือ่อยแห้งไปตามกาลใช่ไหมคะคุณสีเพ็ญ ตามเวลาก็แห้งก็เปือ่อยแต่ว่าก็อยู่ในสภาพที่เป็นเหมือนของศักดิ์สิทธิ์เหมือนวัตถุสิ่งของที่ไม่เปื่อยไม่เน่าเป็นยิ่งกว่าคุณเฉลิกาคือคนเขาเก็บรักษาสรีระท่านไว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณศรีเพนคือมีพลังด้วยคุณเฉลิกามีพลังคือวัตถุน่าสลายไปแล้ว แต่พลังของท่านยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะคุณศรีเพนแสงสว่างต่างๆนี้ใครมากราบมาไหว้ก็จะได้รับเป็นเชื้อเป็นสิทธิี่ดีกับพวกเราต่อไปคุณชรลิกาแล้วท่านได้ให้โอวาสอะไรกับเราบ้างคะพี่คุณศรีเพนท่านบอกว่าตลอดเวลาที่พวกเราอยู่มา ความศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีอยู่ตลอดไปไม่ว่าเราจะคิดสิ่งใดก็จะสมหวังคุณเฉลิกาสมหวังนะคะพวกเราก็ดีใจที่ได้มากราบท่านคุณผ่องผิวแล้วเราจะทําอย่างไรให้จิตเดิมแท้ของเราบริสุทธิ์ได้อย่างไรคุณสีเพนจิตเดิมแท้ของเราจะบริสุทธิ์ได้ คือตลอดเวลาที่เราเดินทางสายนี้ดีที่เรามีพระพุทธองค์เป็นสุดยอดของผู้นําทางเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราอยู่ในเส้นทางนี้เราก็จะได้พบแสงสว่างจิตเดิมแท้ของเราก็จะบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆคุณพ่องผิวแล้วญาติพี่น้องของเราจะได้เลื่อนพบภูมิขึ้นไหมคะ ที่เขาได้ติดตามมาเขาจะได้เลื่อนพบภูมิหรือได้รับอา น, นิสงส์อะไรเพิ่มไหมคะคุณสีเพ็ญคือได้รับแน่นอนเลยครูทุกคนมาด้วยจิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความแสงสว่างและมีความกระหายอันที่อยากจะมาคือถ้าเราเป็นสื่อทำให้ท่านได้มาถ้าไม่มีพวกเราญาติพี่น้องก็คงไม่มีโอกาส คุณอาพินันถ้าอย่างนั้นพวกอามามาหมดเลยใช่ไหมคะคุณสีเพนมาหมดเลยคุณสมานันอาจารย์พรให้อวาดอะไรบ้างคะคุณสีเพนอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรแต่บอกว่าขอบใจทุกๆคนที่เดินทางอยู่ในสายนี้และตลอดเวลาที่ตั้งแต่ไม่มีอาจารย์ แต่พวกเราก็ายังเดินทางอยู่ในทางสายนี้เป็นสิ่งที่ดีที่งามสําหรับพวกเราตลอดไปและเราก็จะได้เข้าถึงจิตเดิมแท้และในที่สุดก็จะหลุดพ้นไปจากวัฏฏะสงสารนี้ได้คุณผ่องผิวอยากให้ญาติพี่น้องได้เลื่อนภพภูมิหรือได้รับอ น, นิสง์จากที่เราได้มากราบไหวท้ทานเป็นไปได้ไหมคะ คุณสีเพนญาติพี่น้องของเราทุกคนเขาดีใจเขาก็บอกว่าไม่อยากเปลี่ยนภพภูมิเพียงแต่จิตใจเขาไม่มีความทุกข์มีแต่ความสบายใจตลอดเวลาก็พอแล้วเพราะว่าเขายังไม่อยากจากพวกเราคุณเฉลิกาก็ต้องขอบพระคุณที่อาจารพรท่านเวยลาเทพเจ้าทั้งหมด ที่ทำพระธจรมพบแสงสว่างคุณสีเพนทุกเรื่องทุกเรื่องเลยนะไปตรงไหนก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็ไม่มีอุปสรรคพวกเราก็สบายดีอยู่ไม่เจ็บไม่ไข้คุณชฉลิกาต่อไปพวกเราก็จะมีแต่เฮงเฮงรวยรวยอย่างทันใจคำว่าเฮง คือครอบกลุ่มในความโชคดีทั้งหมดนะคะวันที่25สบห้ากันยายน2566ตอนที่สองคุณชฉลิกาคนเขายังสงสัยว่าร่างของท่านทุกวันนี้ประวัติเป็นอย่างไรจากที่เขาเล่ากันมาร่างของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยคุณสีเพน กลายเป็นหินไปเลยคุณเฉลิกากลายเป็นหินไปเลยใช่ไหมคะแล้วร่างที่เราไปไหว้วันนี้ใช่ไหมคะคุณศรีเพนใช่แล้วคุณชฉลิกาใช่ที่เราไปยืนไปทําบุญใช่ไหมคะกลายเป็นหินไปเลยใช่ไหมคะที่คุณพึ่งพลายเป็นร่างแท้ๆท่านเลยคุณศรีเพนร่างท่านเลย คุณชฉลิกาที่เราไปยืนไหว้ร่างท่านนะคะคุณสีเพนร่างท่านกลายเป็นหินไปเลยคุณชฉลิกากลายเป็นหินแล้วคนก็ปิดทองไว้เพื่อบูชาที่เราไปยืนไหว้แล้วก็ใส่เงินทาบุญคุณสีเพนนั่นแหละร่างของท่านแท้ๆคุณเฉลิเกา่าค่าแล้วบาทกับทีวรน เสื่อมสลายไปหมดแล้วใช่ไหมคะคุณศรีเพนน่าจะเก็บรักษาไว้ในสถูคุณเฉลิ่กาบาดกับจีวานน่าจะไม่อยู่แล้วเพราะพันกว่าปีมาแล้วแต่ร่างท่านเป็นหินไปเลยท่านเป็นคนร่างเด็กๆที่เราไปไหว้ก็ถูกที่แล้วคุณทวีใช่ร่างท่านนะคะกลายเป็นหินไป ไม่ใช่ไม่เน่าไม่เปือ่อยเพราะเป็นท่านเป็นเทพเจ้าชั้นสูงคุณทวีตามประวัติก็บันทึกไว้อย่างนั้นคือหลวงพ่อบางองค์ในประเทศไทยเมื่อมรณภาพไปแล้วก็มีร่างที่กลายเป็นหินซึ่งอยู่ที่การอธิฐานของท่านคุณชาลิกาอัศจรรย์มากเลยเป็นบุญเหลือเกินที่ได้มากราบท่าน ขอบพระคุณค่ะกาบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงขอบารมีท่านปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราทุกคนและครอบครัวด้วยนะคะคุณสีเพนสาธุสาธุสาธุสโลกของท่านโพธิธรรมทะสังขนายกองค์แรก จุดประสงค์ในการมาดินแดนนี้เพื่อถ่ายทอดพระธรรมสำหรับปลดปล่อยสัตว์ที่ถูกครอบงำไว้ด้วยความหลงผิดเมื่อมีกลีบครบห้ากลีบดอกไม้นั้นก็สมบูรณ์หลังจากนั้นไปผลจะปรากฏขึ้นเองตามธรรมชาติสโลกของท่านเวลายางเมล็ดพืชแห่งพุทธะแฝงอยู่ในจิตของเรา ย่อมงอกงามตามสายฝนที่ซึมซาบไปในทุกสิ่งดอกไม้แห่งหลักธรรมเมื่อได้ผลิออกมาด้วยปัญญายาณผู้นั้นย่อมแน่แท้ที่จะเก็บเกี่ยวผลแห่งการตระสรู้วาระสุดท้ายของท่านเวลายด้วยความเยือกเย็นและไม่กระวนกระวายบุคคลชั้นเลิศไม่ต้องปฏิบัติความดี ด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นตัวของตัวเองท่านไม่ต้องกระทำบาปด้วยความสงบและสงัดท่านเพิกเฉยการดูแลและการฟังด้วยความเสมอภาคและเที่ยงตรงจิตของท่านไม่ได้พานักหน้าที่ใดเมื่อจบสโลกแล้วพระสังขนายกก็นั่งสมาธิสงบนิ่งจนกระทั่งยามสามของคืนนั้น ท่านใด น, นั้นท่านกล่าวแก่สานุสิตอย่างสั้นๆว่าฉันจะไปเดี๋ยวนี้แล้วท่านก็เข้าสู่ภูมิชิพ์ไปในขนาด น, านั้นกลิ่นหอมอันประหลาดก็คลุ้มไปทั่วห้องรุ่งจากแสงจนันทร์ขุดขึ้นประดุดเชื่อมฟ้ากับดินพันไม้ในป่ากลายเป็นสีขาวนกและสัตว์จตุบาทส่งเสียงส่งเสียงตรงม พระสังฆนญญายกได้รับมอบทีวรและบาทเมื่ออายุ24ปีได้อุปสมบทเมื่ออายุ39ปีและเข้าสู่ภูมิทิพเมื่ออายุ76ปีท่านได้เทศนาธรรมเพื่อประโยชน์แกม่มวลสัตว์เป็นเวลา37ปีสานุศิษย์ของท่าน43องค์ได้รับมอบธรรมะ และได้เป็นผู้สืบทอดจากท่านด้วยกรรมวาจาส่วนผู้ที่เห็นแจ้งในธรรมจนละคารวะาวิสัยนานมากมายเหลือขนานนับจีวรและบาทอันเป็นเสมือนสั ญ, ญลักษณ์แห่งความเป็นพระสังฆนายกซึ่งพระโพธิธรรมท่านได้มอบตกทอดมาตลอดจนจีวร โมราและบาทพลึกซึ่งพระมหาชกภัทจุงจุงได้ส่งมาถวายภาพสลักของพระสังฆนายกโดยท่านฟองปินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนั้นอยู่ในความพิทักษ์รักษาของผู้เฝ้าสถูกเป็นสิ่งซึ่งจะต้องรักษาไว้ในวัดไปชั่วกาลนานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่วัดพระสูตรที่ท่านได้เทศนา ก็นำมาพิมพ์และแจกจ่ายทั่วกันเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงหลักการและประสุและวัตถุประสงค์ของสำนักธรรมงานต่างๆเหล่านี้ได้จัดทำไปก็เพื่อความรุ่งโรยสถาพรของพระรัตนาตรายัยและเพื่อความสวัสดิมงคลทั่วไปแก่มวลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายชีวิตของท่านเว้ยลา เป็นตัวอย่างของคนที่มีคุณค่าอันนันท์ท่านเกิดมาเพื่อเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้หลักธรรมเป็นแสงสว่างทางปัญญาเพื่อการเดินทางชีวิตของเราจะมีแสงธรรมคือพระรัตนตรัยเป็นรวงประทีปสองทางตลอดไปสันธิสุขอันถาวรแพร่ไปในมรุษยชาติโดยทั่วกัน ความสงบสุขเยือกเย็นเป็นจุดหมายสำหรับทุกคนการเดินทางย่อมแตกต่างกันไปแต่สากลโลกสันติสุขอยู่ณจุดเดียวกันพุทธังสรนังคัตฉามีข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจบเรื่อง ตามรอยชีวิตท่านเวลางเพียงเท่านี้